ชาติกำเนิดกษัตริย์ชาติกําเนิดพราหมณ์นี้จะเป็นชาติกําเนิดสูงที่ชื่อว่าชื่อได้แก่ชื่อสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งชื่อที่เลววงเล็บสองชื่อที่ดีที่ชื่อว่าชื่อที่เลวได้แก่ชื่ออวักกันนกะชื่อชวักกนกะชื่อทนิตถากะชื่อสวิตถกะชื่อภูลวัฒกกะอีกอย่างหนึ่งชื่อที่เขาเย้ยหยัน เหยียดยามเกลียดชังดูหมิ่นไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆนี้จะเป็นชื่อที่เลวที่ชื่อว่าชื่อที่ดีได้แก่ชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธที่เกี่ยวกับพระธรรมที่เกี่ยวกับพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งชื่อที่เขาไม่เย้ยหยันไม่เหยียดยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิ่นนับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆนี้จะเป็นชื่อที่ดีที่ชื่อว่าตระกูลได้แก่ตระกูลสองอย่างคือ องเล็บหนึ่งประกูลชั้นตำ่ำองเล็บสองประกูลชั้นสูงที่ชื่อว่าประกูลชั้นต่ำได้แก่ประกูลโกศยะประกูลภาระพวชะอีกอย่างหนึ่งประกูลที่เขาแย่ยันเหยียดยามเกลียดชังลูมินไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆนี้จะเป็นประกูลชั้นต่ำที่ชื่อว่าประกูลชั้นสูงได้แก่ประกูลโคตมะประกูลโมคลานะประกูลกัตจายนะประกูล วาเสถะอีกอย่างหนึ่งตระกูลที่เขาไม่เย่อหยันไม่เหยียดหยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิน่นนับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ น, น, น, นี้จะเป็นตระกูลชั้นสูงที่ชื่อว่าหน้าที่การงานได้แก่หน้าที่การงานสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งหน้าที่การงานชั้นต่ําวงเล็บสองหน้าที่การงานชั้นสูงที่ชื่อว่าหน้าที่การงานชั้นต่ําได้แก่งานช่างถากไม้งานเทขยะ อีกอย่างหนึ่งการงานที่เขาเย้ยหยันเหยียดยามเกลียดชังดูหมิ่นแม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆนี้จะเป็นการงานชั้นต่ำที่ชื่อว่าหน้าที่การงานชั้นสูงได้แก่ทำนาค้าขายเลี้ยงโคอีกอย LAN, ่างหนึ Man, ่งการงานที <JO. S 1> ่เขาไม่เย้ยหยันไม่เหยียดยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิ่นนับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆนี้จะเป็นการงานชั้นสูง ที่ชื่อว่าศิลปะวิทยาได้แก่ศิลปะวิทยาสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งศิลปะวิทยาชั้นต่ำวงเล็บสองศิลปะวิทยาชั้นสูงที่ชื่อว่าศิลปะวิทยาชั้นต่ำได้แก่วิชาช่างจักสารวิชาช่างหม้อวิชาช่างหูวิชาช่างหนังวิชาช่างกระบออีกอย่างหนึ่งศิลปะวิทยาที่เขาเยื่ยยันเหยียดยามเกลียดช่างดูมิน แม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ น, น, นี้จะเป็นศิลปะวิทยาชั้นต่ำที่ชื่อว่าศิลปะวิทยาชั้นสูงได้แก่วิชานับวิชาคํานวณวิชาเขียนอีกอย่างหนึ่งศิลปะวิทยาที่เขาไม่เยื่ยหยันไม่เหยียดหยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิน่นนับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ น, น, นี้จะเป็นศิลปะวิทยาชั้นสูง ความเจ็บไข้ทุกชนิดจัดเป็นสิ่งที่เลวส่วนโรคเบาหวานจัดเป็นโรคที่ดีที่ชื่อว่ารูปลักษ์ได้แก่รูปลักษ์สองอย่างคือวงเล็บหนึ่งรูปลักษ์ที่เลววงเล็บสองรูปลักษณ์ที่ดีที่ชื่อว่ารูปลักษ์ที่เลวคือสูงเกินไปเตี้ยเกินไปดำเกินไปขาวเกินไปนี้จัดเป็นรูปลักษ์ที่เลวที่ชื่อว่ารูปลักษ์ที่ดีคือไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ดำนักไม่ขาวนัก นี้จัดเป็นรูปลักษ์ที่ดีกเกเรทั้งปวงชื่อว่าเลวอาบัตในวงเล็บโทษทางพระวินัยทุกอย่างเป็นเรื่องที่เลวแต่โสดาบัตวงเล็บการเข้าถึงกระแสธรรมสมาบัตวงเล็บการเข้าชาเป็นเรื่องที่ดีที่ชื่อว่าคำด่าได้แก่คำด่าสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งคำดายาววงเล็บสองคำด่าสุภาพ ที่ชื่อว่าคำด่ายาบได้แก่คำด่าว่าท่านเป็นอูดท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์เบร้ยฉานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุขติหวังได้ทุกขติเท่านั้นคำด่าที่เกี่ยวกับการร่วมประเวณีหรือคำด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะของชายหญิงนี้จะเป็นคำด่ายาบที่ชื่อว่าคำด่าสุภาพได้แก่คำด่าว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลา ท่านเป็นนักปราท่านเป็นพ่อหูสูรท่านเป็นธรรมกระทึกท่านไม่มีทุกติหวังได้แต่สุกติเท่านั้นนี้จะเป็นคำด่าสุภาพอุปสัมบัญกล่าเสียดสีอุปสัมบัน 1. กล่าเสี ย, สสสยสดสีด้วยชาติกำเนิดตำ่ำา 16. อุปสัมบัญต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบัญเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบัญ ชาติกำเนิดต่ำด้วยวงเล็บคำบ่งถึงชาติกำเนิดต่ำคือกล่าว <issements> กับอุปสัมบันิผู้เป็นคนจันทานกับอุปสัมบันิผู้เป็นคนจักสารกับอุปสัมบันิผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบันิผู้เป็นช่างรถกับอุปสัมบันิผู้เป็นคนเทขยะว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสารท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอบัตติปจิตตีทุกๆคำพูด อุปสมบัตต้องการจะดาต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันิเก้อเขินกล่าวากับอุปสัมบันิชาติกําเนิดสูงด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกตําเนิดต่ําก็คือกล่าวากับอุปสัมบันิผู้เป็นกษัตริย์กับอุปสัมบันิผู้เป็นพราหมณ์ว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสารท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอบัติปาจิตีทุกๆคําพูด กล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดสูงอุปสัมบันต้องการจะดาต้องการจะสบประมาท ต, ต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกําเนิดต่ําด้วยวงเล็คบคําบ่งถึงชาติกําเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นจันทานกับอุปสัมบันผู้เป็นคนจากสารกับอุปสัมบันผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างรถกับอุปสัมบันผู้เป็นคนเทขยะว่า ท่านกษัตร mm. ิย์ท่านพราหมณ์ต้องอบัติปาจิตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะโศประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกําเนิดสูงด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสมบันผู้เป็นกษัตริย์กับอุปสัมบันผู้เป็นพราหมณ์ว่าท่านกษัตริย์ท่านพราหมณ์ต้องอบัติปาจิตีทุกๆคำพูด 2. กล่าวเสียดสีด้วยชื่อที่เลว สิอุปสัมบันิต้องการจะด่าต้องการจะโบประมาตต้องการจะทําให้อุปสมบันิเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันิมีชื่อเลวด้วยชื่อที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันิชื่ออวักกนกะกับอุปสมบันิชื่อชวักกนกะกับอุปสัมบันิชื่อธนิถกะกับอุปสัมบันิชื่อสวิถกะกับอุปสัมบันิชื่อกุลวัฒกะว่าท่านอวักกันกะ ท่านชวกันกะท่านธนิธิกะท่านสวิตถกะท่านคุลวัตถกะต้องอบัติปาจิตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีชื่อที่ดีด้วยชื่อที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันชื่อพุทธรักขิตากับอุปสัมบันชื่อธรรมรักขิตะกับอุปสัมบันชื่อสังขรักขิตาว่า ท่านอวกกันนกะท่านชวกกันนกะท่านธนิธกะท่านสวิธกะท่านกุลวัฒกะต้องอบัตปลาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวเสียดสีด้วยชื่อที่ดีอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะโศประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีชื่อที่เลวด้วยชื่อที่ดีคือกล่าวกับอุปสัมบันชื่ออวกกันนกะกับอุปสัมบันชื่อชวกกันนกะ กับอุปสัมบันิชื่อธนิธกะกับอุปสัมบันิชื่อสวิถกะกับอุปสัมบันิชื่อกุลวัถกะว่าท่านพุทธรักิตะท่านธรรมรักิตะท่านสังครรกิตะต้องอาบัติปจิตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันิต้องการจะด่าต้องการจะโสประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันิเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันิมีชื่อที่ดีด้วยชื่อที่ดีคือกล่าวกับอุปสัมบันิชื่อพุทธรักิตะ กับอุปสมบันิชื่อธรรมรักขิตากับอุปสัมบันิชื่อสังครักขิตาว่าท่านพุทธรักขิตาท่านธรรมรักขิตาท่านสังครักขิตาต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด 3. กล่าวเสียดสี ด, ด้วยตระกูลชั้นต่ำสิบอุปสมบัตต้องการชดาต้องการจะโศประรมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันิเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันิผู้มีตระกูลชั้นต่ำด้วยวงเล็บคําบ่งถึง ระกูลชั้นต่ำคือกล่าวกับอุปสัมบันตระกูลโกศิยะกับอุปสัมบันตระกูลพารทวาชว่าท่านเป็นคนระกูลโกสิยะท่านเป็นคนระกูลพารัตวาชต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาตต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันระกูลชั้นสูงด้วยวงเล็บคาบ่งถึง ตระกูลชั้นต่ำคือกล่าวกับอุปสมบันิตระกูลโคตมะกับอุปสัมบันิตระกูลโมคลานะกับอุปสัมบันิตระกูลกัจจายนะกับอุปสัมบันิตระกูลวาเสถาวะท่านเป็นคนตระกูลโกศยะท่านเป็นคนตระกูลภาระทวาชะต้องอบัติปาจิตติทุกๆคำพูดกล่าวเสียดสีด้วยตระกูลชั้นสูงอุปสัมบันติต้องการจะด่าต้องการจะสพประมาท ต้องการจะทําให้อุปสัมบัญเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบัญผู้มีตระกูลชั้นต่ําด้วยคําบ่งถึงตระกูลชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมบัญตระกูลโคสียะ ก, กับอุปสัมบัญตระกูลภารัตวาชาวา่าท่านเป็นคนตระกูลโคตมะท่านเป็นคนตระกูลโมคลานะท่านเป็นคนตระกูลกัดจายนะท่านเป็นคนตระกูลวาเสถะต้องอบัตไาจิตีทุกๆคําพูด อุปสัำบันต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันเพรามีตระกูลชั้นสูงด้วยวงเล็คบคําบ่งถึงตระกูลชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันตระกูลโคตมากับอุปสัมบันตระกูลโมคลานะกับอุปสมบันตระกูลกัจจายนะกับอุปสัมบันตระกูลวาเสถาว่าท่านเป็นคนตระกูลโคตมาท่านเป็นคนตระกูลโมคลานะท่านเป็นคนตระกูลกัจจายนะ ท่านเป็นคนตระคุณวาเสียถ่าต้องอบัติบาจิตีทุกๆคําพูด 4. กล่าวเสียสดสีด้วยหน้าที่การงานชั้นต่ํา 19. อุปสัมบันต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําอุปสัมบันเกอิอเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีหน้าที่การงาน ับุปสัสมบันผู้เป็นชาวนาับุปสัสมบันผู้เป็นพ่อค้าับุปสัสมบันผู้เป็นคนเลี้ยงโคว่า ชาวนาท่านเป็นพ่อค้าท่านเป็นคนเลี้ยงโคต้องออาบทบาทจริยทุกๆคำพูดอุปสัมบันิต้องการจะด่าหรือต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันิเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันิมีหน้าที่การงานชั้นสูงด้วยวงเล็บคําบ่งถึงหน้าที่การงานชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมบัตผู้เป็นชาวนากับอุปสัมบันิผู้เป็นพ่อค้ากับอุปสัมบันิผู้เป็นคนเลี้ยงโคว่า ท่านเป็นชาวนาท่านเป็นพ่อค้าท่านเป็นคนเลี้ยงโคต้องอบัติปารจิตีทุกๆคำพูด 5. กล่าวเสียดสีด้วยศิละปะวิทยาชั้นต่ำยี่อุปสัมบันิต้องการจะดาต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบั น, นเิเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันิมีศิละปะวิทยาชั้นต่ำด้วยวงเล็บคําบ่งถึงศิละปะวิทยาชั้นต่ำ คือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างจักสารกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างหม้อกับอุปสรมบันผู้เป็นช่างหูกับอุปสรมบันผู้เป็นช่างนั้นกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างกระบอกว่าท่านเป็นช่างจักสารท่านเป็นช่างหม้อท่านเป็นช่างหูท่านเป็นช่างนั้นท่านเป็นช่างกระบอกต้องอบัติปาจิตีทุกๆคําพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําอุปสัมบันให้เก้อเขิน กล่าวกับอุปสำบันมีศิลปะวิทยาชั้นสูงด้วยวงเล็บคำบ่งถึงศิลปะวิทยาชั้นต่ำคือกล่าวกับอุปสำบันผู้เป็นช่างนับกับอุปสำบันผู้เป็นนักคำนวณกับอุปสำบันผู้เป็นนักเขียนว่าท่านเป็นช่างจักสารท่านเป็นช่างหม้อท่านเป็นช่างหูท่านเป็นช่างหนังท่านเป็นช่างกระบกต้องอบัตตาจิตีทุกๆคาพูด กล่าวเสียรสีด้วยศิลปะวิทยาชั้นสูงอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะศบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีศิลปะวิทยาชั้นต่ําด้วยวงเล็บคําบ่งถึงศิลปะวิทยาชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างจักสารกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างหม้อกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างหูกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างหนังกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างกระบอว่า ท่านเป็นช่างนับท่านเป็นนักคํานวณท่านเป็นนักเขียนต้องอบัติบาลิตตีทุกๆคําพูดอุปสัมบันต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีศิลประวิทยาชั้นสูงด้วยวงเล็บคําบ่งถึงศิลประวิทยาชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันเเป็นช่างนบับอุปสััมบน ต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคําพูด 6. กล่าวเสียดสีด้วยความเจ็บไข้ 21. อุปสัมบันต้องการจะดา่าต้องการจะศพประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสัม บ, บ, บ, บ, บันผู้เป็นโรคเทเลวด้วยวงเล็บคําวงถึงโรคเทเลวคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นโรคเครือนกับอุปสัมบันผู้เป็นโรคฝีกับอุปสัมบันผู้เป็นโรคกลาด กับอุปสัมบันิผู้เป็นโรคมองข้อกับอุปสัมบันิผู้เป็นโรคลมบ้าหมูว่าท่านเป็นโรคเรือนท่านเป็นโรคฝีท่านเป็นโรค ก, กลากท่านเป็นโรคมองข้อท่านเป็นโรคลมบ้าหมูต้องอบัติปาริตีทุกๆคําพูดอุปสัมบันิต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาท ต, ต้องการจะทําให้อุปสมบันิเกอ้อเขิน กล่าวกับอุปสมบันิผู้เป็นโรคที่ดีด้วยวงเล็บคำบงถึงโรคที่เลวคือกล่าวกับอุปสมบันิผู้เป็นโรคเบาหวานว่าท่านเป็นโรคเรื้อนท่านเป็นโรคฝีท่านเป็นโรคกลาดท่านเป็นโรคมองคลอ้อท่านเป็นโรคลมบ้าหมูต้องอบัติใจจิตีทุกๆคำพูดอุปสมบันต้องการจะดาต้องการจะสบประมาทต้องการจะทาให้อุปสมบันเก้อเขิน กล่าวกับอุปสมบันิผู้เป็นโรคที่เลวด้วยวงเล็บคำบ่งถึงโรคที่ดีคือกล่าวกับอุปสัมบันิผู้เป็นโรคเรื้อนกับอุปสมบันิผู้เป็นโรคฝีกับอุปสัมบันิผู้เป็นโรคกลากกับอุปสัมบันิผู้เป็นโรคมองคล้อกับอุปสมบันิผู้เป็นโรคลมบ้าหมูว่าท่านเป็นโรคเบาหวานต้องอบัตรปาจิตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันิต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาท ต้องการจะทําให้อุปสัมบันิเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสมบันิผู้เป็นโรคที่ดีด้วยวงเล็บคำบ่งถึงโรคที่ดีคือกล่าวกับอุปสัมบันิผู้เป็นโรคเบาหวานว่าท่านเป็นโรคเบาหวานต้องอบัติปาจิตติทุกๆคําพูด 7. กล่าวเสียดสีด้วยรูปลักษณ์ที่เลว 22. อุปสัมบันิต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันิเกอ้อเขิน กล่าวกับอุปสัมบันิมีรูปลักษณ์ที่เลวด้วยวงเล็บคําบ่งถึงรูปลักษณ์ที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันิผู้สูงเกินไปกับอุปสัมบันิผู้เตี้ยเกินไปกับอุปสัมบันิผู้ดำเกินไปกับอุปสัมบันิผู้ขาวเกินไปว่าท่านเป็นคนสูงเกินไปท่านเป็นคนเตี้ยเกินไปท่านเป็นคนดำเกินไปท่านเป็นคนขาวเกินไปต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคําพูด อุปสมบันต้องการจะด่าต้องการจะศพประมาทต้องการจะทำให้อุปสมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีรูปลักษ์ที่ดีด้วยวงเล็บคำบ่งถึงรูปลักษ์ที่เลวคือกล่าวกับอุปสมบันิผู้ไม่สูงนักกับอุปสมบันิผู้ไม่เตี้ยนักกับอุปสัมบันิผู้ไม่ดํานักกับอุปสมบันผู้ไม่ขาวนักว่าท่านเป็นคนสูงเกินไปท่านเป็นคนเตี้ยเกินไปท่านเป็นคนดาเกินไป ท่านเป็นคนขาวเกินไปต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวเสียดสีด้วยรูปลักษณ์ที่ดีอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะโศประมาตต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีรูปลักษณ์ที่เลวด้วยวงเล็บคำบวงถึงรูปลักษณ์ที่ดีคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้สูงเกินไปกับอุปสัมบันผู้เตี้ยเกินไปกับอุปสัมบันผู้ดําเกินไปกับอุปสัมบันผู้ขาวเกินไปว่า ท่านเป็นคนไม่สูงนักท่านเป็นคนไม่เต <femme> ี้ยนักท่านเป็นคนไม่ดำนักท่านเป็นคนไม่เขาวนักต้องอบัดปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีรูปลักษณ์ที่ดีด้วยวงเล็บคําบ่งถึงรูปลักษณ์ที่ดีคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ไม่สูงเกินไปกับอุปสัมบันผู้ไม่เตี้ยเกินไปกับอุปสัมบันผู้ไม่ดำเกินไป กับอุปสัมบันผู้ไม่ขาวเกินไปว่าท่านเป็นคนไม่สูงนักท่านเป็นคนไม่เตี้ยนักท่านเป็นคนไม่ดำนักท่านเป็นคนไม่ขาวนักต้องอบัดปาจิตีทุกๆคาพูด 8. ปกล่าวเสียดสีด้วยกิเลส2ี่สิบสามอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะโบประมาต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีกิเลสที่เลวด้วยวงเล็บคาบ่งถึงกิเลสที่เลว คือกล่าวกับอุปสัมบันิผู้ถูกราคะกลุ่มรุมกับอุปสมบันิผู้ถูกโทสะกรุ่มรุมกับอุปสัมบันิผู้ถูกโมหะกลุ่มรุมว่าท่านเป็นผู้ถูกราคะกลุ่มรุมท่านเป็นคนผู้ถูกโทสะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโมหะกลุ่มรุมต้องอบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสมบันิต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันิเก้อเขิน กล่าวกับอ uh ุ at ปสัมบันผู้มีภาวะไร้กิเลสด้วยบงเล็บคําบ่งถึงกิเลสที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ปราศจากราคะกับอุปสัมบันผู้ปราศจากโทสะกับอุปสัมบันผู้ปราศจากโมหะว่าท่านเป็นผู้ถูกราคะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโธสะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโมหะกลุ่มรุมต้องอบัติปาจิตติทุกๆคําพูด อุปสามบัญต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบัญเกอเขินกล่าวกับอุปสัมบัญผู้มีกิเลสที่เลวด้วยคำบ่งถึงภาวะไร้กิเลสคือกล่าวกับอุปสัมบัญผู้ถูกราคะกรุ่ม ร, รุมกับอุปสามบัญผู้ถูกโทสะกรุ่มรุมกับอุปสัมบัญผู้ถูกโมหะกรุ่มรุมว่าท่านเป็นผู้ปราศจากราคะท่านเป็นผู้ปราศจ า, ากมกโทสะ ท่านเป็นผู้ปราศจากโมหะต้องอบัตปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสมบันผู้มีภาวะไร้กิเลส ด, ด้วยวงเล็บคำบ่งถึงภาวะไร้กิเลสคือกล่าวกับอุปสมบันผู้ปราศจากราคะกับอุปสมบันผู้ปราศจากโทสะ กับอุปสัมบันผู้ปราศจากโมหะว่าท่านเป็นผู้ประศจากราคะท่านเป็นผู้ประศจากโทสะท่านเป็นผู้ประศจากโมหะต้องอบัดปาจิตีทุกๆคำพูด 9. กล่าวเสียดสีด้วยอบัต 24. อุปสัมบันต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันที่เลวด้วยเรื่องที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ต้องอบัตปาราชิก กับอุปสมบัทผู้ต้องอบัดสังคาทิเศษกับอุปสัมบัทผู้ต้องอบัตทุระใจกับอุปสัมบัทผู้ต้องอบัตปาจิตตีกับอุปสมบัทผู้ต้องอบัตปาติเทศนิยะกับอุปสมบัทผู้ต้องอบัตทุกกฎกับอุปสัมบัทผู้ต้องอบัตทุกภาสิทธว่าท่านต้องอบัตปาราชิกท่านต้องอบัตสังคาทิเศษท่านต้องอบัตทุระใจท่านต้องอบัตปาจิตตีท่านต้องอบัตปาติเทศนิยะท่านต้องอบัตทุกกฎ ท่านต้องอบัตทุพภาสิทต้องอบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสมบันิต้องการจะด่าต้องการจะสพประมาทต้องการจะทำอุปสัมบันิเก้อเขินกล่าวกับอุปสมบันิผู้มีคุณธรรมสูงด้วยเรื่องที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันิผู้เป็นโสดาบันว่าท่านต้องอบัตปาราชิกท่านต้องอบัตทุพภาสิตต้องอบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสมบันิต้องการจะด่า ต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสรรบันเกลื่อนกล่าวกับอุปสรรบันที่เลวด้วยวงเล็บคำบ่งถึงคุณธรรมสูงคือกล่าวกับอุปสรรบันผู้ต้องอบัตตาราชิกอุปสรรบันผู้ต้องอบัตทุตพาสิิ์ว่าท่านเป็นโสดาบันต้องอบัตาจิตีทุกๆคำพูดอุปสรรบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสรรบันเกลื่อนกล่าวกับอุปสรรบันผู้งเป็นธรรมชั้นสูงด้วยวงเล็บคำบ่งถึง คนทำชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันิผู้เป็นโสดาบันว่าท่านเป็นโสดาบันต้องอบัตรปาจิติทุกๆคําพ <t api> ูด 10. กล่าวเสียดสีด <t> ้วยคําด <sean> ่าหยาบ 25. อุปสมบันิต้องการจะด่าต้องการจะโบประมาทต้องการจะทําให้อุปสมบัตเก็เขินกล่าวกับอุปสัมบันิมีความประพฤติเลวด้วยคําด่าที่หยาบคือกล่าวกับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังบวชกับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังแพะ กับอุปสมบันิผู้มีความประพฤติดังโคกับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังลากับอุปสมบันิผู้มีความประพฤติดังสัตว์ดิรฉานกับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังสัตนาโรคว่าท่านเป็นอูดท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์ดิรฉานท่านเป็นสัตนาโรกท่านไม่มีสุขติหวังได้เพียงทุกติเท่านั้นต้องอบัตไปจิตตีทุกๆคําพูด อุปสมบันิต้องการจะด่าต้องการจะโศประมาทต้องการจะทําให้อุปสมบันิเก้อเขินกล่าวกับอุปสมบันิผู้มีคุณนสมบัติชั้นสูงด้วยคําด่าที่หยาบคือกล่าวกับอุปสมบันิผู้เป็นบัณฑิตกับอุปสมบันิผู้ฉลาดกับอุปสมบันิผู้เป็นนักปราศกับอุปสมบันิผู้เป็นพระหูสูตรกับอุปสมบันิผู้เป็นธรรมกถาถือว่าท่านเป็นอูดท่านเป็นแพะท่านเป็นโค ท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์เิรัจฉานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุคติหวังได้เพียงทุคติเท่านั้นต้องอบัติปราจิตีทุกๆคําพูดกล่าวเสียดสีประชดด้วยคําด่าสุภาพอุปสมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาท ต, ต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติเลวด้วยคําด่าสุภาพคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติ ด, ดังอูด กับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังแพะกับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังโคกับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังลากับอุปสมบันิผู้มีความประพฤติดังสัตดิรฉานกับอุปสัมบันิผู้มีความประพฤติดังสัตนาโรกว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักกราดท่านเป็นพ่อหูสูตรท่านเป็นธรรมกระถือท่านไม่มีภพกติหวังได้แต่สุคติเท่านั้น ต้องอบัติบาลจิตีทุกๆคําพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาณต้องการจะทําให้อุปสมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีคุณสมบัติสูงด้วยคําด่าสุภาพคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นบัณฑิตกับอุปสัมบันผู้ฉลาดกับอุปสัมบันผู้เป็นนักปราศกับอุปสัมบันผู้เป็นพระโหสูตรกับอุปสัมบันผู้เป็นธรรมกะเถึกว่าท่านเป็นบัณฑิต ท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราดท่านเป็นพ่อโหสูตรท่านเป็นธรรมกะถึกท่านไม่มีทุกติวางได้แต่สุกติเท่านั้นต้องมาบัดไตรจิตีทุกๆคาพูด 1. กล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดตำยี่สิบหอุปสัมบันต้องการจะดา่าต้องการจะสพประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นคนจันทาน เป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยะต้องอบัตทุกกฎทุกๆคําพูดกล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดสูงอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสพประมาทต้องการจะทําให้อุปสมบทเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ต้องอบัตทุกกฎทุกๆคําพูด 2. กล่าวเสียดสีด้วยชื่อที่เลว 27. อุปสมบันต้องการจะดา่าต้องการจะศพประมาทต้องการจะทำให้อุปสมบันเก้อเขินกล่าวย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกชื่ออวะกกนกะชื่อชวะกกนกะชื่อธนิธกะชื่อสวิธกะชื่อกุลวัถกะต้องอบัตทุกกฎทุกๆคำพูดกล่าวเสียสดสีด้วยชื่อที่ดี กล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกชื่อพุทธรักิตะชื่อธรรมรั ก, กิตะชื่อสังครักิตะต้องอบัดทุกกฏทุกๆคําพูด 3. กล่าวเสียดสีด้วยตระกูลชั้นต่ํากล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกตระกูลโกศิยะตระกูลพาระตถวาชะกล่าวเสียดสีด้วยตระกูลชั้นสูงกล่าวอย่างนี้ว่า ในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกตระกูลโคตมะตระกูลโมคลานะตระกูลกัดจยนะตระกูลวาเสธะสี่กล่าวเสียดสีด้วยหน้าที่การงานชั้นต่ำกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นช่างถากไม้เป็นคนเทขยะกล่าวเสียดสีด้วยหน้าที่การงานชั้นสูงกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นชาวนาเป็นพ่อค้าเป็นคนเลี้ยงโค ห้ากล่าวเสียดสีด้วยศิลปะวิทยาชั้นต่ำกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นช่างจักสารเป็นช่างหม้อเป็นช่างหูกเป็นช่างหนังเป็นช่างกระบกกล่าวเสียดสีด้วยศิลปะวิทยาชั้นสูงกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นช่างนับเป็นนักคานวณเป็นนักเขียน 6. กกล่าวเสียดสีด้วยความเจ็บไข้ กล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคฝีเป็นโรคกลากเป็นโรคมองคลอดเป็นโรคลมบ้าหมูกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นโรคเบาหวาน 7. กล่าวเสียดสีด้วยรูปลักษณ์ที่เลวกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นคนสูงเกินไปเป็นคนเตี้ยเกินไปเป็นคนดำเกินไปเป็นคนขาวเกินไป กล่าวเสียดสีด้วยรูปลักษณ์ที่ดีกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวิ น, นัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นคนไม่สูงนักเป็นคนไม่เตี้ยนักเป็นคนไม่ดำนักเป็นคนไม่ขาวนัก 8. กล่าวเสียดสีด้วยกิเลสกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวิ น, นัยนี้มีภิกษุบางพวกถูกราคะกลุ่มรุมถูกโทสะกลุ่มรุมถูกโมหะกลุ่มรุมกล่าวอย่างนี้ว่า ในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกที่ปราศจากราคะปราศจากโทะะสะปราศจากโมหะ 9. กล่าวเสียดสีด้วยอวบัดกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพว ก, กต้องอวบัดปาราชิกต้องอวบัติทุกภาสิทกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นโสดาบันสิกล่าวเสียดสีด้วยคำด่าที่หยาบ กล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกมีความประพฤติดังอูดมีความประพฤติดังแพะมีความประพฤติดังโคมีความประพฤติดังลามีความประพฤติดังสัตว์ยรฉานมีความประพฤติดังสัตว์นรกภิกษุเหล่านั้นไม่มีสุคติหวังได้เพียงทุกติเท่านั้นต้องบัดทุกกดทุกๆคำพูดกล่าวเสียดสีด้วยคำด่าที่สุภาพ28 อุปสมบันิต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสมบันิเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราดเป็นพ่อหูสูตรเป็นธรรมกรถึกภิกษุเหล่านั้นไม่มีทุกขติวางได้แต่สุขติเท่านั้นต้องอบัตรทุกกฏทุกๆคําพูด 1. กล่าวเสียดสี ด, ด้วยชาติกําเนิดต่ํา29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 ภิกษุพวกใดกันแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราศเป็นพ่อโหสุดเป็นธรรมะกถึกภิกษุเหล่านั้นไม่มีทุ ก, กติหวังได้แต่สุคติเท่านั้นต้องระบัดทุกกฏทุ ก, ท, กทุกคำพูด 1. นกล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดต่ํา 30. อุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาตต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทานคนจักสารนายพาลช่างรถ คนเทขยะ 10. กล่าวเสียดสีด้วยคําด่าที่สุภาพพวกเราไม่ใช่บัณฑิตคนฉลาดนักปราดพ้องหสูดธรรมกะถึกพวกเราไม่มีทุกติหวังได้แต่สุขติเท่านั้นต้องอบัดทุกกฎทุกๆคําพูด อ, อุปสัมบัญกล่าวเสียดสีอนุปสัมบันึน่กล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิด31 อ, อุปสัมบัญต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาท ต้องการจะทำให้อนุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับุตอนุปสัมบันชาติกําเนิดต่ําด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดต่ํากล่าวกับอนุปสัมบันชาติกําเนิดสูงด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดต่ํากล่าวกับอนุปสัมบันชาติกําเนิดต่ําด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดสูง 10. บกล่าวเสียดสีด้วยคําด่ากล่าวกับอนุปปัมปันผู้มีคนธร สมบัติสูงด้วยคําด่าสุภาพคือกล่าวกับอนุปสัมบันผู้เป็นบัณฑิตกับอนุปสัมบันผู้ฉลาดกับอนุปสัมบันผู้เป็นนักปราดกับอนุปสัมบันผู้เป็นพระโหสูตรกับอนุปสัมบันผู้เป็นธรรมกถึกว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราชดท่านเป็นพระโหสูตรท่านเป็นธรรมกถึกท่านไม่มีทุกติหวังได้แต่สุกติเท่านั้นต้องอบัตทุกกฎทุกๆคําพูด หนึกล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดต่าอนุปัสัมบันิต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อนุปัสัมบันิเก้อเขินกล่วาวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีอนุปัสมบันิบางพวกเป็นคนจําทานเป็นคนจักสารเป็นในพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยาัา 10. บกล่าวเสียดสีด้วยคำด่าในพระธรรมวินัยนี้มีอนุปัสัมบันิบางพวกเป็นบนัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์ เป็นผู้โหสูตเป็นธรรมมัถิบพวกเขาไม่มีทุคติวังได้แต่สุคติเท่านั้นต้องระบัดทุกกฏทุกๆคําพูดอนุปสัสมบันติต้องการจะด่าต้องการจะศบประมาทต้องการจะทําให้อนุปสัสมบัติก็เขินกล่าวอย่างนี้ว่าอนุปสัสมบันิพวกใดกันแน่เป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทเขยะต้องระบัดทุกกฏทุกๆคําพูด อนุปัสมบัตพวกใดกันแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราศเป็นผู้หูสูดเป็นธรรมะกระทต้องบัดทุกคนทุกคำพูดอนุประสัมบันิต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาต้องการจะทําให้อนุปัสมบันิเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทรานคนจากสารนายพานช่างรถคนเทขยะพวกเราไม่ใช่บัณฑิตคนฉลาดนักปราศผู้หูสูด ธรรม ก, กัทพวกเราไม่มีสุขติวางได้แต่สุขติเท่านั้นต้องบัดทุกกดทุกๆคําพูด 1. กล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดต่ํา 32. อุปสามบัญไม่ต้องการจะดา่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทําให้อุปสัมบัญเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวกับอุปสามบัญชาติกําเนิดต่ําด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดต่ําคือกล่าวกับอุปสามบัญผู้เป็นคนจันทร์ กับอุปสัมบันฑผู้เป็นคนจักสารกับอุปสัมบันฑผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบันฑผู้เป็นช่างรถกับอุปสัมบันฑผู้เป็นคนเทขยะว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสารท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอบัตทุกพาสิทธ์ทุกๆคำพูดอุปสัมบันฑไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทําให้อุปสัมบันฑเก้อเขิน แต่ต้องการจะเล่นกล่าวกับอุปสัมบันิชาติกําเนิดสูงด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดต่ำคือกล่าวกับอุปสัมบัตชาติกําเนิดกษัตริย์ชาติกําเนิดพรามว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสารท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอบัตทุกภาสิทธุทุกๆคําพูดกล่างเสียดสีด้วยชาติกําเนิดสูง อ er no more, do, rather, ุปสามัญไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะโบประมาทไม่ต้องการจะทําให้อุปสัมบัญเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวกับอุปสัมบัญชาติกําเนิดต่ําด้วยวงเล็บคํำวงถึงชาติกําเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสามบัญผู้เป็นจันทานกับอุปสัมบัญผู้เป็นคนจักสารกับอุปสัมบัญผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบัญผู้เป็นช่างรถกับอุปสัมบัญผู้เป็นคนเทขยะว่าท่านเป็นกษัตริย์ ท่านเป็นพาราหมณ์ต้องอบัตทุพพาสิทธุทุกๆคำพูดอุปสัมบันไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวกับอุปสัมบันชาติกําเนิดสูงด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นกษัตริย์กับอุปสัมบันผู้เป็นพรามณ์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นพราหม์ <st> ต้องอบัตทุพพาสิทธุทุกๆคำพูด <st cambi> 2. กล่าวเสียดสีด้วยชื่ออุปสมบันไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทำให้อุปสมบันเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวกับอุปสมบันมีชื่อเลวด้วยชื่อที่เลวกล่าวกับอุปสมบันมีชื่อดีด้วยชื่อที่เลวกล่าวกับอุปสมบันมีชื่อที่เลวด้วยชื่อที่ดีกล่าวกับอุปสมบันมีชื่อที่ดีด้วยชื่อที่ดีกล่าวเสียดสีด้วยคาด่ากล่าวกับอุปสมบันผู้เป็นบัณฑิต กับอุปสัมบันิผู้ฉลาดกับอุปสัมบันิผู้เป็นนักปราศกับอุปสัมบันิผู้เป็นผู้โหสูตรกับอุปสัมบันิผู้เป็นธรรมกถึกว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราศท่านเป็นผู้โหสูตรท่านเป็นธรรมกถึกท่านไม่มีทุกติหวังได้แต่สุกติเท่านั้นต้องอบัตทุกภาสิทธทุกๆคําพูด 1. นกล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดต่ํา 33.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 เป็นธรรมกถึกพวกเธอไม่มีทุกติวังได้แต่สุกติเท่านั้นต้องอบัตทุพภาสิทธ์ทุกๆคำพูด 1. กล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดต่ําอุปสัมบันไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสมประมาทไม่ต้องการจะทําให้อุปสัมบันเกอ้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวอย่างนี้ว่าภิสูุพวกใดกันแน่เป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยะ สิกล่าวเสียดสีด้วยคำดา่าพิกษุูพวกใดกันแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพอหูสูรเป็นธรรมกะถึกต้องอบัตทุกภาสิทธ์ทุกๆคำพูดหนึ่งกล่าวเสียสดสีด้วยชาติกาเนิดอุปสำบันไม่ต้องการจะดา่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทำให้อุปสำบันเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทานคนจักสาน นายพรานช่างรถคนเทขยัสิบกล่าวเสียดสีด้วยคำดา่าพวกเราไม่ใช่บัณฑิตคนฉลาดนักปราดผู้หูสูดธรรมกะถึกพวกเราไม่มีทุกติหวังได้แต่สุขติเท่านั้นต้องอาบัตรทุกภาสิทธุทกทุกคำพูดอุปสมบันกล่าวเสียดสีอนุปสมบันหนึ่งกล่าวเสียดสีด้วยชาติกาเนิด34 ผสมบันฑไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทําให้อนุผสัมบันฑเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวกับอนุผสมบันชาติกําเนิดต่ําด้วยวงเล็บคําบ่งถึงชาติกําเนิดต่ํากล่าวกับอนุผสัมบันชาติกําเนิดสูงด้วยชาติกําเนิดต่ํากล่าวกับอนุผสมบันฑชาติกําเนิดต่ําด้วยชาติกําเนิดสูงกล่าวกับอนุผสัมบันฑชาติกําเนิดสูงด้วยชาติกําเนิดสูง 10. กล่าวเสียดสีด้วยคำด่ากล่าวกับอนุปสัมบันผู้มีคุณสมบัติสูงด้วยคำด่าสุภาพคือกล่าวกับอนุปสัมบันผู้เป็นบัณฑิตกับอนุปสัมบันผู้เป็นคนฉลาดกับอนุปสัมบันผู้เป็นนักปราศกับอนุปสัมบันผู้เป็นผู้หูสูดกับอนุปสัมบันผู้เป็นธรรมกถึกว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราศท่านเป็นผู้หูสูดท่านเป็นธรรมกถึกท่านไม่มีทุคติ หวังได้แต่สุคติเท่านั้นต้องอบัตทุกภาสิทธทุกๆคำพูด 1. กล่าวเสียดสีด้วยชาติกำเนิดอุปสมบันไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสบ ป, ประมาทไม่ต้องการจะทำให้อนุปสมบันเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีอนุปสมบันบางพวกเป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็น น, นายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยะ สิกล่าวเสียดสีด้วยคาําด่าในพระธรรมวินัยนี้มีอนุประสัมบัญบางพวกเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกพวกเขาไม่มีทุ ก, กติวังได้แต่สุกติเท่านั้นต้องอบัดทุพพาสิทธทุกๆคําพูด 1. กล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดอนุประสัมบัญไม่ต้องการจะดา่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทําให้อนุปปสมบัญเก้อเขิน แต่ต้องการจะเล่นกล่าวอย่างนี้ว่าอนุปสมบันิพวกใดกันแน่เป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทเขยะ 10. กล่าวเสียดสีด้วยคําด่าอนุปสมบันิพวกใดแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพู้หูสูดเป็นธรรมกถึกต้องอบัตรทุกพาสิทธ์ทุกๆคําพูด หนกล่าวเสียดสีด้วยชาติกําเนิดอนุปัมฐันไม่ต้องการจะดา่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทําให้อนุปัฏฐานเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทานคนจักสานนายพรานช่างรถคนเทเขยะ 10. กล่าวเสียดสีด้วยคาําด่าพวกเราไม่ใช่บัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นผูหสูตรเป็นธรรมกะถึก พวกเราไม่มีทุกติวังได้แต่สุกติเท่านั้นต้องระบัดทุกพาสิทธ์ทุกๆคำพูด